วันนี้พวกเราจะมาพัฒนาจิตใจของพวกเรากันเพราะจิตใจนี่เป็นของที่มีคุณค่ามากที่สุดมากกว่าสิ่งต่างๆทั้งหลายในโลกนี้เพราะจิตใจเป็นของถาวน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 เมีวันเสื่อมเมีวันหมดไปเมีวันพัดพรากจากกันอย่างอาณาจักรต่างๆในอดีตที่มีมนุษย์ได้สร้างกันมาตอนนี้ก็กลายเป็นซากปรากาัพังไปเช่นกรุงสุขโขทยัยกรุงศรีอายุทยาในอดีตก็เคยเจริญง่้งเรือง พ่อได้รับการพัฒนาจากมนุษย์แต่ในที่สุดก็จะต้องมีวันเสื่อมสลายหมดไปแ ต, แต่จิตใจนี้ถ้าได้รับการพัฒนาแล้วก็จ ะ, จะเจริญขึ้นไปตามลำดับความจเจริญของจิตใจนี้ ก็มีอยู่สองระดับด้วยกันคือระดับโลกิยะกับระดับโลกุตระระดับโลกิยะนี่ยังอยู่ภายใต้กฎของอนิจจังทุกขังอนัตตาอยู่คือเจริญได้ก็ยังเสื่อมได้อยู่แต่ระดับโลกุตระนี่เป็นระดับที่ มีแต่จะเจริญอย่างเดียวจะไม่มีวันเสือ่อมระดับโลกุตตระนี้จะปรากฏให้โลกได้พบได้รู้จัก mm. ก็ต่อเมื่อมีพระพุทธเจ้ามาตัศรุเพราะถ้าไม่มีพระพุทธเจ้ามาตัศรุ mm. ก็จะไม่มีใครรู้จักธรรมที่เป็นโลกุตตระนี้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 ระดับพรมส่วนระดับโลกุตระก็คือระดับพระอริยบุคคลสี่ประเภทด้วยกันคือพระโสดาบันพระสกิฎาคามีพระอนาคามีและพระอรหันต์การที่จะพัฒนาทำ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 มาประกาศพระธรรมคำสอนให้แก่สัตว์โลกสัตว์โลกก็จะรู้ได้เพียงระดับโลกิยะเพราะมีการปฏิบัติมีการเผยแพ ร, แพร่สั่งสอนมาทุกยุคทุกสมัยคือการทำทานการรักษาสิลงและการเจริญส ม, มถภาวนา ทำใจให้สงบการปฏิบัติสามขั้นนี้เรียกว่าเป็นการปฏิบัติขั้นโลกิยะโลกิยะก็คือเมื่อได้พัฒนาจิตใจขึ้นไปเช่นจากมนุษย์ไปเป็นเทพจากเทพไปเป็นพรหมพอร่างกายนี้ตายไปจิตก็จะเป็นไปตามระดับ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 หลังจากที่ร่างกายนี้ตายไปแล้วก็จะต้องอยู่ในพรมโลกสวยบุญของของระดับพรมโลกไปจนกว่าบุญนั้นจะหมดเมื่อบุญหมดจิตก็จะเสื่อมลงมาสู่ระดับเทวโลกแล้วพอบุญที่จิตได้สร้างไว้สำหรับระดับเทวโลกหมดไป จิตก็จะเลื่อนกลับลงมาเป็นมนุษย์ใหม่มากลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่แล้วก็กลับมาทำบุญทำทานกลับมารักษาศีลกลับมาภาวนาใหม่นี่ก็จะเป็นลักษณะของการพัฒนาของจิตใจในยุคที่ไม่มีพระพุทธเจ้ามาตัศโร เพราะจะไม่มีใครรู้วิธีที่จะปฏิบัติทำขั้นโลกุตระไม่มีใครรู้จักอริยสัจสี่ไม่มีใครรู้จักไตรลักษณิจังทุกขังอนัตตาอาจจะรู้เพียงสองคือรู้จักอนิจจงรู้จักทุกขังแต่จะไม่รู้จักอนัตตามีพระพุทธเจ้าเพียงพระ อ, องค์เดียว ที่สามารถเห็นใจรักษณ์ได้ครบทั้งสามองค์เกิดเห็นอนิจจังเห็นทุกขงังและเห็นอนัตตาและเห็นอริยสัจสีเห็นทุกขังว่าเกิดจากสมุทัยคือตัณหาการะตัณหาภาวะตัณหาวิภวตัณหาเห็นการที่จะดับความทุกข์ว่าเกิดจากการ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 หรื อ, อยังไม่สนใจที่จะปฏิบัติกันบุคคลเหล่านี้นีถือว่าสู้พวกที่มีศรัทธาต่อการปฏิบัติทานศีลภาวนาอย่างเต็มที่ไม่ได้ถึงแม้ว่าจะไม่มีฐานะการเงินการทองที่ร่ำรวย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 ก็จำเป็นที่จะต้องปฏิบัติธรรมขั้นที่สคือขั้นวิปัสนาภาวนาคือหลังจากที่ได้สมาธิแล้วเวลาออกจากสมาธิมาจะต้องเจริญปัญญาจะต้องเตือนใจให้ราลึกถึงคำว่าอนิจจังทุกขังอนัตตาให้ราเลึกถึงอริยสัจสีคือทุกสมุทัยนิโรธมากตลอดเวลา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 ถ้าเรามีายลักษ์อยู่ภายในใจเตือนใจอยู่เรื่อยๆเราก็จะไม่ไปหลงอยากได้สิ่งต่างๆที่มีอยู่ในโลกนี้นนเช่นลาบยศสรรเสริญความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายเราไม่ต้องมีสิ่งเหล่านี้เราก็อยู่ได้เพราะเรามีสิ่งที่ดีกว่าก็คือสมาธิความสงบ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 แล้วก็ต้องกลับมาทาบุญทำทานรักษาศีลมาเจริญสมถะภาวนาใหม่แล้วก็จะกลับขึ้นไปเป็นพรหใหม่เป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆถ้าไม่ประมาทถ้ากลับมาเกิดเป็นมนุษย์แล้วประมาทไม่ทำบุญไม่รักษาศีลไม่ภาวนากลับไปเสพอบายามุกดื่มสุรายาเมาเที่ยวกาลางคืน เป็นการพนันคบคนชั่วเป็นมิตรมีความเกียจคา้านถ้าประมาทแล้วไปเสพพวกอบายามุขต่างๆแล้วไม่ช้าก็เร็วก็จะต้องไปทำบาปทากรรมไปฆ่าบ้างไปรักทรัพย์บ้างไปประพฤติผิดประเวณีบ้างไปโกหกหลอกลวงบ้างเพราะนี่ก็คือผลที่จะตามมาจากการไปเสพอบายามุขต่างๆนั่นเอง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 ตายไปก็กลับไปอบายใหม่นี่คือวัตจักแห่งการเวียนว่ายตายเกิดมีสองชั้นด้วยกันชั้นสูงกับชั้นต่ำชั้นสูงเราเรียกว่าสุขติชั้นต่ำเรียกว่าทุกขติหรืออบายอบั ย, ยภูมิที่เป็นผลที่เกิดจากการพัฒนาหรือการไม่พัฒนาของจิตใจนี้เอง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 ก็ถือว่าเราทำดีถ้าเราไม่ทำในสิ่งที่พระเจ้าสอนให้ละ mm. ก็แสดงว่าเรายังทำในสิ่งที่ไม่ดีอยู่เ mm. ช่นพระเจ้าสอนให้เรารักษาศีลหไม่ให้ทำบาปแต่ถ้าเรายังทาบาปอยู่นี้แสดงว่าเรายังไปในทางที่ไม่ดีเราควรที่จะเปลี่ยนทิศทางของการเดินของเรา เพราะทิศทางที่เรากำลังเดินนี้มันนำไปสู่ความหายานะนำไปสู่ความเสื่อมนำไปสู่การเกิดในอบายนั่นเองดังนั้นเราจึงต้องศึกษาพราะธรรมคำสอนอยู่เรื่อยๆเพื่อที่เราจะได้มีมาตรฐานคอยวัดการกระทำของเราว่าเราทำผิดทำถูกอย่างไร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 การภาวนานี้แหละจะเป็นการดับความทุกข์ได้อย่างแท้จริงและดับได้อย่างถาวรถ้าได้เข้าสู่ขั้นระดับวิ ป, ปวัสสนาภาวนาถ้ายังอยู่ในระดับสมถะภาะวนาก็จะได้การดับความทุกข์เป็นระยะ ะ, ยะเป็นเหมือนกับเวลาปวดศีรษะถ้ามียาแก้ปวดรับประทานอาการปวดศีรษะก็จะเบาบางลงไปพอฤทธิของยาหมด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 พ อ, อยาฆ่าเชื้อโรคเข้าไปทำลายเชื้อโรคแล้วอาการปวดศีรษะก็จะหายไปแล้วก็จะไม่ต้องกินยาแก้ปวดหายไปอย่างถาวรจนกว่าจะไปติดเชื้อใหม่เท่านั้นึงยนกาจเกิดอาการปวดขึ้นมาใหม่ฉนันใดการภาวนาก็เป็นแบบนั้นถ้าอยู่ในขั้นสมถาภาวนาก็เป็นเพียงรักษาตามอาการแก้ที่ปเหตุ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 ก็คิดว่าเขาก็เป็นเหมือนเราเขาเป็นมนุษย์เหมือนเราเขาทำได้เราก็ท่องทำได้ถ้าคิดอย่างนี้ก็ดีแต่ถ้าไปคิดว่าโอเ้เขานั่งสมาธิได้นานเรานี่นั่งไม่ได้เลยถ้าเราจะนั่งแบบเขานี้เราคงไม่มีวันนั่งไม่ไหวแน่นอนก็ท้อแท้ไม่อยากจะทำถ้าคิดอย่างนี้ก็อย่าไปคิดเนี่ยให้คิดว่าเราทำตามกำลังของเราไปก่อนเขาอะ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 เราก็จะเพิ่มวันปฏิบัติขึ้นไปเองจากอาทิตย์ละวันก็เป็นสองวันจากสองวันก็เป็นสามวันทาไปเรื่อยๆแล้วต่อไปก็จะอยากจะทำทุกวันใครมีงานมีการอะไรที่ต้องทำก็หยุดทำงานเสียเพราะพิจารณาด้วยปัญญาแล้วว่ามันได้สาระผลที่ได้มาก็คือเครื่องมือของกิเลสตัณหาทั้งนั้นได้เงินได้ทองมาเอาไปใช้ทำอะไร มันก็ไปตอบสนองตันหาความอยากต่างๆเพื่อที่จะมาสร้างความทุกข์มาเหยียบย่ำจิตใจของเราให้ทุกข์เพิ่มไปมากขึ้นไปเท่านั้นเองทำไปทำไปให้เหนื่อยไปทําไมทําไปให้เสียเวลาทําไมซึ่งเาเวลามาเจริญสมถะวิปัสสนาภาวนาไม่ดีกว่าเลยทําแล้วมันทําลายกิเลสทําลายความทุกข์ต่างๆให้เบาบางลงไปให้น้อยลงไปและหมดไปในที่สุดเนี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 ถ้าผ่านระดับมัธยมมาแล้วก็มาต่อที่ระดับอุดมศึกษาได้เลยบางคนเกิดมาแล้วก็บวชได้เลยไม่ต้องมาอยู่เป็นค่าวว่าทำบุญทำทานรักษาศีลแต่บางคนนี่ยังติดอยู่กับชีวิตของข่าวว่าอยู่ยังอยากมีครอบครัวยังมีอยากมีลาบอยากมีอยากมีหน้ามีตาอยากมีความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายอยูอ่ก็ยัง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 จึงขอยุติไว้เพียงเท่านี้ขออนุโมทนาให้ผ่อนยะถ า, าวารรวาหาปุราปาริปุเรนติสากกรังเอวเมวะอิโตทินางเปตานางอุปกัรปฏิอิชิตังปฏิตังตุมหังคิปะเมวะสมิจตุสพัพเพปุเรนตุสังกปา จันโทปนะระโสยธามริโชติระโสยธาสพิติโยวิวัจันตุสัพโรโควินัสตุมาเตภวตวันตาาโยสุขีทีคายยโกภวะอภิวาทานสีริษะนิจังวุทธาปจายโนจตารธรมมวะทานติ อายุวโนสุขังภาลังตอนนี้ก็จะมีการถามตอบปัญหาธรรมท่านผู้ใดฟังแล้วไม่เข้าใจตรงส่วนไหนหรืออยากจะทราบเรื่องของธรรมส่วนอื่นที่ไม่ได้พูดก็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 ได้พระนิพพานทันทีมันไม่ใช่บวชพระแล้วเราจะได้เป็นพระอรหันต์ทันทีมันไม่ใช่เห็นเมืองไทยนี่มีพระต้องกี่แสนรูปก็เป็นพาาาระอรหันต์กันไปหมดแล้วทําไมต้องไปดิ้นหาพาาระอรหันต์กันแทบเป็นแทบตายในประเทศไทยนี่หาพระอรหันต์ได้ถึงทศร้อยองค์หรือเปล่ามันอยู่ที่ปฏิบัติหรือไม่ปฏิบัติเท่านั้นอย่าไปติดอยู่กับคาว่าบวชการบวชนี้เป็นเพียงเป็นการเอื้อต่อการปฏิบัติ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 คำถามข้อต่อไปจากคุณเนตนะครับคำสอนที่ต่างกาละและเทศะนั้นสามารถนำไปใช้ให้ผลที่เหมือนกันเสมอหรือไม่ก็ยาที่เราได้รับมาจากหมอตามวาระต่างๆถ้าเราเกิดโรคภยัยแค้เจ็บแล้วยาที่เราได้รับมามันตรงกับโรคที่เราเป็นแล้วก็ใช้ได้ธรรมะที่เราได้ยินตามสถานที่ต่างๆตาม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 เท่านั้นนหละถึงจะทําให้อาการง่วงนอนนี้หายไปได้โดยอีกวิธีหนึ่งก็ต้องไปอยู่ในป่าช้าไปเดินจงกรมในป่าช้าไปอยู่ที่เปลี่ยวที่น่ากลัวถ้ามีความน่ากลัวเกิดขึ้นแล้วมันจะตื่นใจมันจะเตื่นมันจะไม่ง่วงนอนฉะนั้นเราก็ต้องหาอุบายวิธีที่จะมาแก้ปัญหาคือความง่วงนอนมีพระบางรูปท่านนั่งนั่งสับ ป, ประงกท่านก็ไปนั่งที่หน้าเหวเลย ถ้ามันสับปังอกก็หัวทิ่มลงเหวไปเลยพรมันจะหัวทิ่มมันก็ไม่มันไม่สับปังอกแล้วมันเตื่นขึ้นมาเลยเนี่ยคือวิบายต่างๆของพระอาจารย์ต่างๆที่ท่านได้ใช้บาเพ็ญกันมาเพื่อแก้ปัญหาเหล่านี้คำถามข้อต่อไปจากคุณนิชาพานะครับกาบเรียนถามพระอาจารย์ว่าเมื่อจิตสงบทำให้การนั่งสมาธิหนึ่งชั่วโมงผ่านไปเร็วมาก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 เท่ากับเราทําสมถะอย่างเดียวใช่หรือไม่เจ้าคะเวลาทําภาวนานี่เราต้องเลือกเอาอย่างใดอย่างหนึ่ง <ket ten> เราจะทําทั้งสองอย่างไปควบคู่กันไม่ได้เพราะมันเหมือนกับนอนจะนอนกับก็บจะทํางานนี่เราจะทําทั้งสองอย่างไม่ได้ถ้าเราจะนอนเราก็ต้องไม่ทํางานถ้าเราจะทํางานเราก็ต้องไม่นอนจันใดถ้าเราต้องการความสงบต้ตองการเราก็ต้องทําแต่ส ม, มถะภาวนาน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 นี่เป็นปัญหาพอควรทีเดียวเจ้าค่ะสามีบอกว่าให้ไปงานแต่งงานด้วยกันเดี๋ยวเพื่อนจะหาว่าเมียทิ้งเดือนนี้มีตั้ง2องงาน Connell ไม่อยากไปเลยทำอย่างไรดีคะพระอาจารย์เราต้องเลือกระหว่างสามีกับความสงบถ้าเรายังย um ังต um ้องการสามีอยู่แล้วก็ต้องเล่นละครไปกับเขาก่อนถึงเวลาไปงานก็ต้องไป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 แันเราต้องนั่งแบบใจเป็นกลางเฉยๆนั่งไปตามกำลังของเราเพอร์บ้างไม่เพอร์บ้างได้เท่าไหร่ก็เท่านั้นว่ามันไปตามกำลังของเราไปก่อนอย่าไปอยากว่านั่งตอนนี้ต้องนั่งให้ได้ต้องสงบให้ได้พอมันไม่สงบมันไปคิดมรุงแต่งก็โมโหตัวเองขึ้นมาไม่นั่งมันดีกว่า <c oughs> <c oughs> ต้องใจเย็นๆ น, นะเหมือนกับเราร้อยเข็ม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 ที่ไหนก็ซื้ออยู่ที่นี่ไม่ได้มันก็เลยจนตรอกงั้นถ้าพระอาจารย์เหนื่อยเมื่อไหร่พระอาจารย์บอกเลยนะครับจะได้วางแผนไว้ให้นะครับบอก<ม>แจ้งโ<ม>ยมนะล่วงหน้าซะเดือนหรือสองเดือน <c oughs> เขาน่าจะทราบกันนะครับไม่เป็นไรนะเราเราไม่ยังไม่มีปัญหาอะไรที่ที่คุณพูดมาก็เพราะว่าคุณไปพูดถึงเรื่ภาพรูปอื่นว่าท่านอยากจะหยุดสักสองปี <c oughs> เราก็เลยพูดเออถ้าเราหยุดได้บ้างก็คงจะดีท่า <c oughs> แต่มันไม่ถึงกับขั้นนี่ว่าที่เราเดือดร้อนหรอกนะล้วก็ยินดีมีความสุขทุกครั้งที่ญาติโยมมาหามาทางเทศฟังธรรมนี่เราไม่ไม่ไม่มีความรู้สึกไม่ดีนะเรามีความสุขเพราะว่าหนึ่งเราจะได้ทําประโยชน์ของเราทําหน้าที่ของเราสองญาติโยมก็จะได้รับประโยชน์จากการได้ยินได้ฟังธรรมแล้วถ้าฟังแล้วสามารถเปลี่ยนแปลงชีวิตที่ที่แย่ให้มันดีขึ้นได้เราก็พอใจแล้วะ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 คนยุให้ถางซ้ำมั้งครเพื่อถ <laughs> ัง น, <laughs> น, นี้ก็ามาเพค่ <laughs> อหาอกไม้อะไจะได้มีคนช่วยเยอะ <laughs>